เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสตานีวิทยุกราบกรอกาวซอตรอยเฟมร6อยหกข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นพระในธรรมวังเป็นพริกสูเนี่ยมันพูดได้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องธรรมะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันก็จะผิดกฎของพระนะธรมวัง ครานี้ก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่เขาเรียกเป็นนาบัตรประเภททุพาสิทธิ์จะไม่ได้พูดเรื่องที่จะไปทิ่มแทงใครกระแนหกระแนห์ใค ร, ใครเวลาจะพูดก็ต้องดึงมาให้มันมาลงเรื่องของอริยสัจสีให้ได้เรื่องของธรรมะให้ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราเปิดวิทยุมาเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะนี้มันเป็นเรื่องที่มาหาัศจรรย์มากๆแล้ว นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วความมาสะจันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมีการที่ประกาศธรรมะมีการฟังธรรมะไอ้คนพูดเป่าเปเนี่ยมีอาจจะมีแต่มีคนพูดเป่าวๆแล้วมีคนฟังด้วยแม่นี่มันยิ่งดีขึ้นไปอีกเราได้ยินได้ฟังธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมันจะทําจิตใจของเราให้นุ่ม ให้อ่อนเหมาะควรแก่การงานในการที่จะรับเจอสิ่งต่างๆเรื่องราวในชีวิตแน่นอนท่านผู้ฟังสุขก็มีทุกข์ก็มีเพื่อนข้างบ้านบ้างเดี๋ยวลูกบ้างเดี๋ยวคู่ครองบ้างลูกค้าพ้างเจ้านายบ้างมันมาอีลงตรงนางกันหมดทุกอย่างเราจึงควรที่จะต้องฟังธรรมเพื่อให้จิตใจนั้นมันไม่กระด้างไม่แข็ง แต่ถ้าจิตใจแข็งกระด้างถูกตีแล้วมันจะแตกได้แตกแล้วมันก็โดนคนอื่นไปหมดเจ็บเป็นหมดแต่ถ้าจิตใจนั้นมีความนุ่มแต่นุ่มแล้วเนี่ยตีเข้ามาเนี่ยมันก็เด้งกลับไปหาคนที่ตีนุ่มแล้วตีเข้ามาเนี่ยมันไม่แตกมันรับมือได้การที่จิตไม่แตกรับมือได้เพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจมีสิ่งใดมากระทบทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายแล้วมีความสบายใจ ในการฟังธรรมะนี่จะช่วยได้ท่าผู้ฟังฟังแล้วให้มีความร่าเริงในตามจะฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าก็ค่อนข้างมั่นใจแน่ใจได้ละว่ามันจะใช่เป็นสิ่งที่เป็นคําตรัสของพระองค์ท่านจริงๆหรือจะเป็นการฟังเรื่องของคำอธิบายขยายความที่อาจจะอธิบายขยายความโดยภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีความสามารถสูง อย่างเจน่จนทพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลาะนะท่านพระมหากระชายนะหรือแม้แต่ท่านพระอนุนเองก็ตามที่มีความรู้ความสามารถสูงในอธิบายขยายความสิ่งที่เป็นพุทธปรไว้หรือเป็นสาวกที่มีความสามารถสูงในสมัยต่อๆมาอัตออตรกรตาจารย์ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามแต่เรา่ฟังแต่เราฟังฟังข้าพเจ้าอยู่เนี่ยนี่ก็จุบว่าเป็นอัตตกราอาจารย์องหนึ่งที่เอา สิ่งที่เป็นคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าอย่น้อยที่แปลเป็นไทยเนี่ยแหละผ่านการแปลมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคำแปลละ่ะแต่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลมาให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของพุทธพจน์เข้าใจแล้วทําได้แล้วมันก็จะเป็นความดีความงามในชีวิตของเราข้าพเจ้ามาพบกันท่านผู้ฟังในรายการนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยในช่วงวันจันทร์การพูดนั้นอาจจะนําสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ หรือสิ่งที่เป็นคําอธิบายมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับคุณจันสนีนาคพงศ์มาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่สามารถจะนําธรรมะไปใช้ในการปฏิบัติได้ในวันเช่นอย่างนี้วันนี้ก็จะนําเรื่องราวของธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาของป ร, ริยนธรรมสประโยค แต่ถ้าใครจะเรียนภาษาบาลีก็ต้องเรียนแปลเรื่องพวกนี้แหละเป็นเรื่องราวที่มาในธรรมบทอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรตัสไว้วันนี้จะให้ฟังเรื่องของขรหาถินแต่ซึ่งเป็นดุบาศกคนหนึ่งเขาปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของเขาจากที่นับถือพวกเดรติปริพาชคคำว่าเดรติปริพาชคเนี่ยก็หมายถึงนักบวชนอกศาสนา นักบวชที่มีมาในคําสอนเื่นๆซึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะอยู่นั้นก็มีนักบวชที่ไม่ใช่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่หลายกลุ่มหลายกวนด้วยกันแล้เราก็จะเรียกกลุ่มนั้นว่าพวกนิครนหรือพวกเดรตีหรือพวกปริปาชกะจะเรียกชื่อต่างๆกันแต่ก็เป็นสาวกของพวกเดรตีพวกปริปาชกต่างๆเหล่านั้น แล้สุดท้ายสามารถกลับใจได้แตามหวังและในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพิสดารตรงจุดที่ว่ามีการเอาคืนกันละและเธอทําชั้นชั้นทเธอสุดท้ายพระพุทธเจ้าแก่สถานการณ์ได้เรามาฟังเรื่องของพระหตินซึ่งเป็นนิทานที่มาในธรรมบทธรรมบทแปลเรื่องคระหตินความพิสดารบ่าในกรุงสาวบถี ได้มีชนผู้เป็นสหายกันสองคนคือสิริคุตและคะระหถินในสองคนนั้นสิริกุตเป็นอุบาสกคระหถินเป็นสาวกของนิกรณพวกนิกรณย่อมกล่าวกับคระหถินนั้นหนึ่งๆอย่างนี้ว่าการที่ท่านพูดกับสิริคุตผู้สหายของท่านว่า ท่านเข้าไปหาพระสั ม, มณโกดมทำไมท่านจะได้อะไราในสนักของพระสั ม, มณโกดมนั้นหนังนี้แล้วกล่าวสอนโดยอาการที่สิริคุตจะเข้ามาหาพวกเราแล้วให้ทยธรรมแก่พวกเราจะไม่ควรหรือคาราหะตินได้ฟังคำของนิกรนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกับสิริคุตในที่ที่เขายืนและนั่งแลเป็นต้น อย่างนี้ว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสัมมาสดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสัมมาคดมนั้นจะได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถบ า, ายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรรึสริคุทแม้ฝังคําของกรหาหัถินนั้นก็หนิ่งเฉยเสียลายวันรําการแล้ว วันหนึ่งจริงพูดขึ้นมาเพื่อนท่านหมั่นมาพูดกับเราในที่ที่ยืนแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าจะไปหาพระสัมมาโคดมแล้วจะได้อะไรจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นท่านจงบอกแก่เราก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่านย่อมรู้อะไรคณะหัดินโอ้ สิริคุตท่านอย่าพูดอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะไม่รู้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จะมีเหตุนี้จะไม่มีสิริกุต ท่านกรหัดินท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้อย่างนี้ดังนี้หรือกรหัดินถูกแล้วข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นสิริกุฏถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณท่านี้นับว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้ข้าพเจ้าทราบอนุภาพแห่งยานของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วจงไปเถอสหาย ทรงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตามคำของข้าพเจ้ากระหดินนั้นไปยังสำนักของพวกนิกรนไหวนิกรนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสิริคุตจายของข้าพเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พวกนิกรนสิริกุตพูดเองอย่างนั้นหรือกระหดินกระหดินอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า นิกรนเหล่านั้นร่าเริงยินดีแล้วกล่าวแล้วว่ากิจของพวกเราสำเร็จแล้วจำเดิมแต่การที่สิริคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้วสมบัติชื่ออะไรอะไรก็จะมีแม้ที่อยู่ของสิริคุตก็ใหญ่ตอนสิริคุตเตรียมรับรองพวกนิกรนสิริกุตนั้นให้คนขุดหลุมยาว สองข้างในระหว่างเรือนสองหลังนั้นแล้วก็ให้เอาคูดเหลวใส่จนเต็มให้ตอกหลักไว้ในที่สุดสองข้างภายนอกหลุมให้ลูกเชือกไว้ที่หลักเหล่านั้นให้ตั้งเท้าหน้าของอาสนะทั้งหลายไว้เบื้องบนหลุมให้ตั้งเท้าหลังไว้ที่เชือกสำคัญอยู่ว่า ในเวลาที่นั่งแล้วอย่างนี้แหละพวกนิครจะมีหัวปักตกลงแล้วให้คนลาดเครื่องลาดไว้เบื้องบนอาสนะทั้งหลายโดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆแล้วให้ผูกปากด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นแหละให้เปื้อนด้วยเมล็ดข้าวต้ม ข้าสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมในภายนอกแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือนกราดินรีบไปเรือนของสิริคุธนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าสิริคุตท่านจัดแจงสการะเพื่อพรรพุเป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือสิริคุธถูกแล้วสหายเอย๋ยข้าพระเจ้าจัดแจงแล้ว กระาดินก็สกรนั้นอยู่ที่ไหนเล่าสิริคุตก็ข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั่นประมาณเท่านี้ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยสาน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาสนะปูไปแล้วกระดาดินนั้นกล่าวว่าดีละแล้วก็ไปในเวลาที่กระาดินนั้นไปแล้ว พวกนิกรณประมาณ500ก็มาสิริคุตออกจากเรือนไหวพวกนิกรณด้วยเป็นจางข้าประดิษฐ์แล้วยืนประกองอัญเชลีอยู่เบื้องหน้าของนิกรณเหล่านั้นกิดว่าในย่ว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นอุปทาของพวกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ ถาพวกท่านย่อมรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าแล้วเข้าต้นไม่มีเลยเข้าสวยเป็นต้นก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจะให้ตีหนังนี้ครั้นกิดอย่างนี้แล้วก็ให้สัญญาณแก่พวกบุรุษบ่า วกท่านรู้ภาวะคือการนั่งของนิกรณเหล่านั้นแล้วยืนอยู่ข้างหลังพึงนำเครื่องลาดในเบื้องบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสียอาสนะเหล่านั้นอย่าเพื่อนแล้วด้วยของไม่สะอาดเลยรังนั้นจิริคุธพูดกับพวกนิกรณว่านิมนต์มาข้างนี้เถิดครับพวกนิกรณเข้าไปแล้วก็บรารภ เพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เก่าปู่ไว้ครั้งนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับ น, นิกรนเหล่านั้นว่าจงรอก่อนขอรับท่านจงอย่านั่งก่อนพรนิครนเพราะอะไรหรือพวกมนุษย์การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจ้ารู้ธรรมเนียมแล้วจึงนั่งย่อมควรพวกนิครนก็ทำอย่างไรจึงสมควรเราท่าน พวกมนุษย์การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแก่ตนแล้วนั่งลงพร้อมกันทีเดียวจึงควรได้ยินว่าเสริคุนนั้นให้ทำพิธีนี้ด้วยคิดว่าเมื่อนิครนคนหนึ่งตกลงในหลุมแล้วนิครนที่เหลือก็จะไม่นั่งันงนี้แล้วจึงได้คิดแผนนี้ขึ้น นิกรนเหล่านั้นรับว่าดีแล้วจึงคิดว่าการที่พวกเราทำตามถ้อยคำที่คนพวกนี้บอกแล้วจึงสมควรตอนพวกนิกรนตกหลุมคูดครันั้นนิกรนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแก่ตนโดยลำดับลำดับนั้นพวกมนุษย์กล่าวกับนิกรนเหล่านั้นว่า พวกท่านจงรีบนั่งพร้อมกันทีเดียวครับรู้ภาวะคือการนั่งของนิกรนเหล่านั้นแล้วจึงนำเรื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออกพวกนิครนนั่งพร้อมกันทีเดียวเท้าอาสนะที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกแล้วพวกนิกรนหัวขำมำตกลงในหลุม เมื่อพวกนิครนนั้นตกลงแล้วสิริุตจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิครนที่ตะกายขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดยพูดว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่รู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วบอกว่าการทำเท่านี้จะสมควรแก่พวกนิครนเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงให้เปิดประตู พวกนิกรนเหล่านั้นออกไ ป, ปร่ารบเพื่อจะหนีก็ในทางไปแห่งพวกนิกรนนั้นสิริกุตให้คนทำพื้นที่อันบริกรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่นสิริกุตให้คนโบยซ้ำพวกนิกรนนั้นผู้ยืนอยู่ไม่ได้ในที่นั้นล้มหลงแล้วล้มหลงแล้วจึงส่งไปด้วยคาว่า การทำเท่านี้สมควรแก่ท่านทั้งหลายนิกรนเหล่านั้นร่ำกรนอยู่ว่าพวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วพวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วนิกรนเหล่านั้นจึงได้ไปสู่ประตูรเรือนของอุปตากแล้วตอนครหะถิ่นฟ้องสิริกุตแก่พระราชา ราหัดินเห็นประการอันแปลกนั้นของนิโครเหล่านั้นแล้วก็โกรธคิดว่าเราอันสิริคุดให้ชิพหายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราผู้เป็นบุญญเกตผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้ง6แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เหยียดมือออกว่าอยู่ตามความพอใจให้ถึงความชิพหายแล้ว กระหาดินจึงได้ไปยังราชตรกูลกราบทูลให้พระราชาทรงปรับสินหมาแก่สิริกุต้นหนึ่งพกหาปะนะขระนั้นพระราชาทรงส่งพระราชาสารไปแก่กสิริกุนั้นสิริกุนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระชก้าพระองค์ทรงสอบสวนแล้วปรับสินหมาได้ ยังไม่ได้ทรงสอบสวนอย่าเพิ่งปรับพระราชาเราสอบสวนดูแล้วจึงจะปรับสิริกุดีละพระชก่าถ้าอย่างนั้นจงปรับเธอพระราชาถ้าอย่างนั้นเธอจงพูดไปสิริกุตกราบทูนความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งต้นแต่เรื่องนี้ว่าพระชกฆา สหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของนิครนเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวอย่างนี้หนึ่งเนืองในที่ยืนที่นั่งเป็นต้นว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจะได้อะไรเนงนี้แล้วก็ได้กราบทูลตอบไปว่าพระเจ้าข้าถ้าการปรับสินไหมในเพระเหตุนี้กวนแล้ว ขอจงปรับเถิดพระราชาทอดพระเนตรกระหทินแล้วตรัสถามว่าในยะว่าเศริคุชพูดอย่างนี้จริงอย่างนั้นดรวอกระหดินจริงพระชาค่ข้าพระราชาเธอคบกับพวกนิกรตผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่านี้เที่ยวไปอยู่ด้วยคิดว่าเป็นครู พอแกสาวกของพระตถาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างพระเหตุไรสินไหมที่เจ้าจะยกขึ้นปรับจงมีแก่เจ้าเองเถิดกรหัดินนั้นแลอันพระราชาทรงปรับสินใหม่แล้วบวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของกรหัดินนั้นนั่นแลอันสิริคุธโบยไล่ออกไปแล้วด้วยประการชนีตอน กระหัตินเตรียมแก้แค้นสิริกุตคระหัินนั้นกโกรสิริกุตนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่พูดกับด้วยสิริกุตเป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าการเที่ยวไปโดยอาการอย่างนี้ไม่ควรแก่เราการที่เราทำความชิบหายแม้แก่พวกปิกสุผู้เข้าถึงสกุลของสิริกุตนั้นย่อมควรดังนี้แล้ว จึงได้เข้าไปหาสิริคุตเรียกเ่าแล้วได้ถามว่าธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไรเพราะเหตุไรท่านจึงทำอย่างนั้นสิริคุตสหายข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากรรมใดอันข้าพเจ้าทำแล้วกรรมนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิด เราทั้งสองจะไม่ทำลายไม่ตรีกันจำเดิมแต่การนั้นชายทั้งสองย่อมยืนย่อมนั่งในที่แห่งเดียวกันต่อมาในการวันหนึ่งสิริคุตกล่าวกับครหะตินว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิกรณเล่าท่านเข้าไปหาพวกนิกรณเหล่านั้นจะได้อะไรการเข้าไปหาพระศาสดา ข, ของเราก็ดี การตบายทานแก่พระผู้เป็นเจติทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแก่ท่านรึอแม้กระหัตินนั้นก็เฝ้าหวังอยู่ซึ่งเหตุนี้นั่นแหลเพราะฉะนั้นคําพูดของสิริกุตนั้นจึงเป็นเหมือนเก่าถูกที่คันแม้กระหัตินั้นถามสิริกุตว่าพระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรสิริกุตท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้น ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระาศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระาศาสดาของเรานั้นย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยการสิหอย่าง ข, าข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นพระเหตุอะไรท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากรณนั้นท่านจงไป ทูลนิมนต์พระศัสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะให้พระองค์เสวยท่านจงกราบทูลเพื่อทรงรับภิกษุของข้าพระเจ้าพร้อมด้วยภิกษุห้ารอรูปสิริกุทธจึงเข้าไปเฝ้าพระศัสดาทวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคาระหัดถินสหายของข้าพระองค์ สั่งให้ทูนิมนตพระองค์ทราบว่าขอพระองค์ทรงรับภิกษาของขรหาหะทินนั้นพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อรูปในวันพรุ่งนี้ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้หันฆ่าพระองค์ทําแล้วแก่พวกนิโครผู้เข้าถึงสกุลของขรหาหะทินนั้นฆ้าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทําตอบแก่กรรมอันฆ่าพระองค์ทําแล้วฆ้าพระองค์ไม่ทราบ แม้ความที่ครหะตินนั้นใครจะถวายภิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพริจารณาแล้วหากสมควรจงรับหากไม่สมควรจงอย่ารับดาง น, นี้พระาศาสดาทรงพริจรารณาว่าครหะตินนั้นใคร่จะถวายแก่เราหรือหนอแลได้ทรงเห็นว่าครหะตินนั้นให้คน ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเกียนประมาณ80เล่มเกวียนจุดไฟแล้วต้องการจะให้เราตกลงในหลุมฐานเปลิงแล้วก่มกี่และทรงพิจนารณาต่อไปอีกว่าเหตุในการไปที่นั้นประโยชน์จะมีหรือไม่น้อแลลำดับนั้นได้ทรงเห็นว่า เราจะเหยียบบนหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแพนที่วางปิดหลุมฐานเพลิงนั้นจะหายไปดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อจะปุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเหยียบกลีบบัวไปนั่งบนอาสนะพิสษุทั้งห้าร้อยจะไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจะประชุมกันเราจะทำอนุโมทนา ด้วยคาถาสองคาถาในสมาคมนั้นในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้จะมีแกสัตต์8 4 0สี่ิริคุธและคารหาทินจะเป็นโสดาบันจะวานกองทรัพย์ของตนของตนในาศาสนาการที่เราไปเพราะอาศัยกลุลบุตรนี้ย่อมควรหนังนี้แล้วพระพูทมีพระภาค จึงทรงรับคำนิมนต์นั้นสิริขุตทราบการรับของพระศาสดาแล้วจึงบอกแก่คาราหะตินแล้วบอกว่าท่านจงทำรรสการะแก่พระโลกเชษเถิดตอนคาราหะตินเตรียมรับพระศาสดาคารหะตินนั้นคิดว่าบัด น, นี้เรารู้กิจที่ควรทำแก่พระสมณโคดมนั้น จึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเกียนมาประมาณ80เล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนยันรุ่งแล้วให้ทำกองถ่านเปลิงไม้ตะเกียนไว้วางไม้เรียงบนปากหลุมให้ปิดด้วยเสื่อลำแพนให้ทาด้วยโคมัมลาดท่อนไม้ผูกไว้ โดยข้างหนึ่งแล้วให้ทําทางเป็นที่ไปสําคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกสมณะเหยียบแล้วเหยียบแล้วอย่างนี้เมื่อท่อนไม้ทั้งหลายหักแล้วพวกสมณะจะกลิ้งตกลงไปในหลุมทานเพลิงและให้ตั้งตุ่มไว้ในภาคแห่งหลังเรือนโดยวิธีที่สีริคุธตั้งแล้วเหมือนกัน ให้ปู่แม่อาสนะตั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันสิริกุตไปเรือนของกราหัตินนั้นแต่เช้าตรู่กลา่าวว่าสหายท่านเตรียมการทำสักการะแล้วหรือกราหัตินถูกแล้วสหายสิริคุตก็สักการะนั้นอยู่ที่ไหนกราหัตินตอบว่ามาสิจงมาดูจะได้ดูกันแล้วแสดงของทั้งหมด โดยวิธีที่สิริคุตแสดงแล้วเหมือนกันสิริคุตกล่าวว่าดีแล้วสหายมหาชนได้มาประชุมกันในที่นั้นก็เมื่อพระาศาสดาอันคนผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วการประชุมใหญ่จึงได้มีฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิยอมประชุมกัน้วยมีความคิดว่าพวกเราจะเห็น ประการอันแปลกของพระสมณโคดมฝ่ายพวกสัมมาทิติย่อมประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระาศาสดาจะแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่พวกเราจะ ก, กำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาหนังนี้ในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาได้เสด็จไปประตูรเรือนของคาระหะติน ขั บ, บิสูจน์หรอรูปขราดินนั้นออกจากเรือนแล้วถวายบังคมด้วยเบญจังขปิ์ยืนประกองอัญฉชลีอยู่เบื้องประพักด้วยคิดว่าพระชก้าอุปตากของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ว่าพระองค์ย่อมทราบเหตุทุกอย่างต่างโดยเหตุเป็นอดีตเป็นต้นย่อมทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการสิบกอย่างได้ ถาพระองค์ทรงทราบอยู่ขออย่าเสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วข้าวยากูก็ไม่มีเลยพัดอาหารเป็นต้นก็ไม่มีก็แลข้าพระองค์จะยังท่านทั้งหมดให้ตกลงในหลุมฐานเปลิงแล้วขมกีกราตินกรันคิดอย่างนั้นแล้วจึงรับบาตของพระศัสดารามทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จมาทางนี้ดังนี้แล้วจึงได้กราบตูลต่อไปว่าพระชก้าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศาสดากราตินก็เราควรทำอย่างไรเล่ากราตินก็ในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเข้าไปข้างหน้านั่งแล้ว ภิกษุอื่นมาในภายหลังจึงควรได้ยินว่ากราธิศนั้นได้มีความปริบิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมต่านเปลืองแล้วจะไม่มาเราจะให้ภิกษุตกลงทีแล้วรูปทีแล้วรูปเท่านั้นแล้ว ข, มข่มกี่พระศาสดา จ, จึงตรัสว่าดีแล้วแล้วเสด็จ เข้าไปแต่พระองค์เดียวการาตินถึงหลุม่านเปลิงแล้วถอยออกไปยืนอยู่กราบทูนว่าขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถอพระชาค่าตอนคาราตินเลื่อมใสพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุม่านเปลิงเสื้อลำแพนหายไปแล้ว ดอกบัวประมาณเท่าลอ้อหุดขึ้นทำลายหลุมฐานเปล่งพระศาสดาทรงเยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับนั่งบนพุทธาอาตที่เขาปูราดไว้แม่ฟิกสุทั้งหลายก็ไปนั่งบนอาสนะอย่างนั้นเหมือนกันความเร่าร้อนได้ตั้งขึ้นแต่กายของพระหาทินแล้วเขาไปโดยเร็ว ก็ไปหาสิริกุตแล้วบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริกุตนี่มันเรื่องอะไรกันคราดินก็ข้าวยากูหรือพัดเป็นต้นเพื่อพิสูจน์ห้าร้อยรูปไม่มีในเรือนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะทําอย่างไรเนอะสิริกุตก็ท่านทําอะไรไว้คระดินข้าพเจ้าให้คนทําหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลัง เต็มด้วยฐานเพลิงด้วยหวังว่าจะให้พวกภิกษุตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วข่มขีแต่ในที่นั้นดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงนั้นภิกษุทั้งหมดเหยียบกลีบบัวเดินไปนั่งบนอาสนะที่กปูลาดไว้บัด น, นี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรสิริกุตท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าตุ่มข้าวยากูเท่านี้ ตุมพัดเป็นเท่านี้ไม่ใช่หรือกระดาินข้อนั้นเป็นเทสนายตุ่มเปล่าทั้งนั้นสริกุดช่างเถอะท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยากูเป็นต้นในตุ่มเหล่านั้นอีกในขณะนั้นนั่นเองข้าวยากูในตุ่มทั้งหลายอันใดอันกระดาินนั้นบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นก็เต็มด้วยข้าวยากูแล้วพัดเป็นต้นในตุ่มเหล่าใด อนกระหาตินบอกแล้วตุมเหล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเป็นต้นทีเดียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นศรีระของกระหาตินเต็มด้วยบีติและปราโมทแล้วเกิจิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยความเคารพและใกล้จะให้ทรงธรำอนุโมทนา จึงรับบาทรกองพระศาสดาผู้ทรงทำพักิจเสร็จแล้วตอนสัตว์ไม่รู้กุณพระศาสนาเพราะไร้ปัญญาพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาจึงตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้กุณแห่งสาวกของเราและพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจากสุ ผู้ปราศจากปัญญาจากสุชื่อว่าผู้มืดบอดผู้มีปัญญาชื่อว่าผู้มีจากสุดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองอยากเยื่อฮัอ้นบุคคลทิ้งแล้วใกล้ขนต่างใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดในหมู่ปุถุชน ผู้เกิดเป็นดังกองอยากเยื่อสาวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมภัยโรธล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉะนั้นในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์แปดมืนสี่พันกระดาษินและสิริคุธบรรลุโสดาบันแล้วสองคนนั้น วานทรับของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องครหะทิน